วิธีฝึกสมาธิเพื่อติดต่อโอปปปาติกะพรรัตนสุวรรณคำนำเนื่องจากทางสำนักค้นคว้าทางวิญญาณจัดจัดให้มีนิทัศการทางจิตเพื่อพิสูจน์เรื่องตายและเกิดและผู้ที่จะดูการพิสูจน์เข้าใจและได้รับประโยชน์จริงๆก็ต่อเมื่อต้องมีความรู้ในทางหลักวิชาด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่จะเข้าชมนิทรศการทางจิตและเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอีกหลายอย่างเช่นคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับหรือเป็นคนหลับยากเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะได้พบวิธีที่จะช่วยทาให้หลับง่ายซึ่งวิธีปฏิบัติก็เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ทุกคนถ้าตั้งใจจริงๆก็ปฏิบัติตามได้และข้าพเจ้าเชื่อ อ, อีกว่าคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว เมื่อก่อนถ้ายังไม่เห็นความสำคัญของการสวดมนต์และการนั่งสมาธิก็จะเห็นความสำคัญขึ้นมาและแล้วก็จะพากันปฏิบัติมากขึ้นข้อนี้เองที่ข้าพเจ้าหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านมากกว่าข้ออื่นๆคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งโดยปกติมักจะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องอานาจลึกลับและไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องตายแล้วเกิดเรื่องกฎของกรรมถ้าหากได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็หวังว่าคงจะสามารถเปลี่ยนความคิดของท่านได้มากอันที่จริงเรื่องวิญ ญ, ญาณเรื่องโอปปปาติกะเรื่องสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องลึกลับนั้นความจริงเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องลึกลับก็จริงแต่ถ้าหาศึกษาให้ถูกวิธีแล้วเราก็จะเข้าใจได้ไม่ยากหนังสือเล่ม น, นี้แม้จะเป็นหนังสือเพียงเล่ม เ, เล็ก แต่ก็จะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูที่ปิดเรื่องเหล่านี้ไว้ให้เปิดออกและในไม่ช้าเรื่องที่คนทั้งหลายเห็นว่าลึกลับก็จะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับเราเห็นวิทยุโทรทัศน์เรดาร์สมองอิเล็กทรอนิกอะไรเหล่านี้เป็นต้นข้าพเจ้าได้ใฝ่ฝันมานานแล้วที่จะเห็นคนทั้งหลายมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจของวิญญาณในตัวเองเพราะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทำให้คนเราเข้าใจซึ้งถึงคุณค่าแห่งศิลธรรมซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วคุณค่าในทางศิลธรรมอยู่เหนือคุณค่าสิ่งอื่นๆทั้งหมดค่าของเงินหรือค่าของทรัพย์สมบัติใดๆก็ตามที่เป็นวัตถุโดยตัวของมันเองไม่มีค่าเท่าไรเลยแต่คนในโลกทุกยุคทุกสมัยตีราคาค่าของเงินค่าของทรัพย์สมบัติภายนอกสูงกว่าค่าของศิลธรรมมาก ด้วยเหตุนี้ความยุ่งยากในทางสังคมจึงได้ติดตามมาหลายอย่างและจะไม่มีทางแก้ไขได้เลยถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าค่าของเงินตราสูงกว่าค่าของศีลธรรมปัญหาข้อนี้นักการปกครองนักการเศรษฐกิจนักการศึกษาควรจะพิจารณาให้มากเมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาคนไทยเกือบจะทั้งชาติได้ยึดถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะ แต่การยึดถือของคนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไร้ความหมายเพราะเขาไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าการยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้นหมายความว่าอะไรทางนี้เพราะเขาไม่ทราบว่าพระรัตนตรัยคืออะไรการนับถือพระพุทธศาสนาแต่ในนามโดยที่จิตใจเข้าไม่ถึงนั้นก่อให้เกิดผลร้ายต่อศาสนาหลายอย่างอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ พวกวัตถุนิยมเมื่อได้เห็นการกระทำและความเชื่อถือของชาวพุทธในที่ทั่วๆไปแล้วเขาก็มักจะเข้าใจว่านั่นคือตัวพระพุทธศาสนาและเพราะเหตุที่เขาเป็นนักคิดและเป็นคนมีเหตุผลในอันที่จะเชื่ออะไรฉะนั้นในเมื่อมาเห็นการกระทำและความเชื่ออย่างงมงายของชาวพุทธในที่ทั่วๆไปก็เลยทาให้เกิดความคิดว่าพระพุทธศาสนาทาให้คนงมงาย ซึ่งความจริงเขาก็หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อถือกันอยู่นั้นไม่ใช่ตัวพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเลยท่านควรจะคิดเอาไว้บ้างว่าพวกวัตถุนิยมที่มีหัวรุนแรงถ้าหากเกิดมีอำนาจในทางปกครองและในทางการศึกษาขึ้นมาเมื่อไหร่คนเหล่านี้ก็อาจจะทำลายพระพุทธศาสนาได้ง่ายๆโดยอาศัยฉากแห่งความงมงายของชาวพุทธในที่ทั่วๆไปเป็นเป้าที่จะโจมตี พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราการเห็นธรรมในที่นี้หมายถึงเห็นแจ้งในอริยสัจสี่โดยธรรมดาผู้ที่เห็นแจ้งในอริยสัจสี่จะต้องเป็นคนที่เข้าใจซึ้งในเรื่องตายและเกิดและกฎของกรรมก่อนแล้วคนที่จะเข้าใจเรื่องตายและเกิดเรื่องกฎของกรรมซึง้ง ก็ต่อเมื่อเข้าใจเรื่องอำนาจของวิญญาณในตัวเองอย่างแจ่มแจ้งและคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งก็ต่อเมื่อเข้าใจเรื่องโอปปปาติกะและคนที่เข้าใจเรื่องโอปปาติกะก็ต่อเมื่อได้เห็นการพิสูจน์ผู้ที่จะดู ก, การพิสูจน์ให้เข้าใจก็ต้องมีความรู้ในทางหลักวิชาด้วยเหตุผลที่เกี่ยวโยงกันมาเป็นลาดับเช่นนี้ละข้าพเจ้าจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ก็เพื่อประโยชน์ดังที่กล่าวมาพรรัตนสุวรรณสิบสามเมษายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยเก้า